พานคืออะไรโดยยอ่อพิพานก็หมายถึงความพยศหมดไปหรือความมีมานะทิฏฐิหมดไปหรือความมีโทสะโมหะโลภะหมดไปหรืออีกคำหนึ่งว่ากิเลสสันหาอุปธทานหมดไป มีแต่ความเป็นปกติหรือว่างว่างนี่แหละคือนิพพานนิพพานจึงว่าหมดความร้อนมีแต่ความเย็นอกเย็นใจไม่ใช่ว่าอื่นไกลนิพพานนั่นจึงว่าอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นจะเป็นผู้หญิงก็มีนิพพานอยู่เช่นนั้นจะเป็นผู้ชายก็มีนิพพานอยู่เท่นนั้น จะเป็นภาะสงฆ์องค์เนรก็มีนิพพานอยู่เช่นนั้นจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤ ษ, ค น, กฤษคนอเมริกาคนขเขมรคนญวนคนลาวมีนิพพานเช่นเดียวกันจะถือศาสนาไหนที่ใดนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามมีนิพพานเช่นเดียวกันนิพพานนั้นคือว่าความดับร้อน ให้หมดไปมีแต่ความเย็นอกเย็นใจคนโบราณจึงว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานาก็อยู่ที่ใจแต่ว่าคนคนนั้นแหละจะทำให้มรรคนิพพานปรากฏเกิดขึ้นหรือไม่า น, นเองปฏิบัติอย่างไรให้ถึงซึ่งกระแสพระนิพพานาการปฏิบัตินั้นก็ไม่เหมือนกับคนสื่นที่พูดมา สำหรับตัวหลวงพ่อเองเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยทำกรรมฐานมาพอสมควรแต่ไม่รู้ว่านิพพานอยู่ที่ไหนคืออะไรไม่รู้เพราะไม่ปฏิบัติอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้นั่นคือปฏิบัติให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวในทุกอิรยิยาบถนม้จะยก มือยกเท้าก็ให้มีสติรู้สมมุติเอาที่หลวงพ่อทําอยู่เป็นประจำพลิกมือขึ้นให้รู้สึกกว่มมือลงให้รู้สึกยกมือไปให้รู้สึกเอามือมาให้รู้สึกก้มลงให้รู้สึกเงยขึ้นให้รู้สึกเอียงซ้ายเอียงขวาให้รู้สึก พิบตาขึ้นให้รู้สึกตาเลือบซ้ายแล้วคอให้รู้สึกพื้นน้ำลายลงไปในลำคอให้รู้สึกหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกให้มีสติติดตามความรู้สึกนี่เองจิตใจมันนึกมันคิดให้รู้สึกเมื่อรู้สึกแล้วไม่ต้องยึดต้องถงอยวางไปทำอย่างนี้แหละ ความรู้สึกนั้นถะนว่าสัญญาความหมายรู้จําได้ท่านว่าอย่างนั้นเมื่อมีสัญญาความหมายรู้จําได้บัดนี้ญาณก็เข้าไปรู้ญาณเกิดเข้าไปรู้เมื่อญาณเข้าไปรู้แล้วปัญญาคอยรอบรู้ทั้งสามอย่างนี่แหละประกอบเข้ากันเดียวญาณของวิปัสนาเกิดขึ้นให้แก่ผู้กระทําเช่นนั้น ยานของอิปตนาเกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงเพราะศึกษาอยู่กับธรรมชาตินี่แหละศึกษาให้ได้กระแสพระนิพพานเรื่องวัดว่าได้ต้นทางแล้วมีอยู่อย่างไรบ้างก็มีอยู่คือคนจะมองเมื่อตาไม่เห็นจับไม่ถูกด้วยมือ จะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้เพราะตาปัญญาหรือว่าจักษุปัญญาดังนั้นคําว่าจักษุปัญญาเนี่ยคือเราพิสตาเนี่ยมาตั้งแต่ตัว เ, เล็กๆไม่ได้เกิดมาแล้วไม่พิจารณาพิจารณาบันนี้ไม่ได้คือมันพิสตานก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คือน้ํำลายเราเป็นลาค อ, อ ก, ก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้ รู้แล้วก็สบายคมโกดคมโรคคมหลวงลดน้อยไปหรือถึงกับจะหมดไปก็ได้นี่แหละคาว่าได้ต้นทางคือรู้จิตใจบรนลุเหมือนคิดมันเห็นจิตเห็นใจมันนึกมันคิ ด, เ, เ, นนคดเรียว่าได้ต้นทางเ พ, พราะพระพุทธเจ้าตัดสั้รู้การทำทางจิตทางใจเราก็ต้องรู้จิตรู้ใจเห็นจิตเห็นใจตัวเองกําลังนึกกําลังคิดนี่เองเรียวได้ ต้นทางเป็นเครื่องหมายอย่างนี้มองไม่เห็นด้วยตาแล้วก็ไม่ต้องไหว้ผีไม่ต้องเสื้อลือกงานยามดีไม่ต้องเสื้อสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เราจะรู้จะเห็นจะเข้าใจตั้งแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเราดังนั้นจึงมีภาษิตบทหนึ่งว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะปไปพึ่งคนอื่นไม่ได้ พิ่งผีก็ไม่ได้เพิ่งเทวดาก็ไม่ได้ที่สุดเพิ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เช่นเดียวกันปฏิบัติต่อไปอย่างไรจึงจะรักสั้นสำหรับผู้ได้ต้นทางแล้วนั้นก็ปฏิบัติ ด, ดูจิต ด, ดูใจนึกคิดนี่เองเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีก็ตามเข้าห้องน้ําห้องส่วมก็ตามปฏิบัติได้ทุกลมหายใจจึงเข้าจิต น, น้าก็ได้ ทำการทำงานก็ได้เพราะมือทำงานใจดูใจมันนึกมันคิดเห็นรู้เข้าใจผ่านไปไม่ต้องเข้าไปยึดไปถืออันนี้เป็นลักษสั้นที่สุดเพราะเราเองเป็นคนทำอยู่ที่ไหนก็เราเองเป็นคนทำการพูดก็เราเองเป็นคนพูดอยู่ที่ไหนเราก็พูดได้การดูจิตดูใจบันนึกมันคิดก็เราเองเป็นคนดู อยู่ที่ไหนก็ดูได้เจวารัดสั้นที่สุดไม่เลือกการเวลาทำอยู่ที่ไหนก็ได้ที่สุดการเดินทางมีอะไรเป็นเครื่องหมายว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาอีกแล้วเครื่องหมายอันนี้มองไม่เห็นด้วยตาจับไม่ถูกด้วยมือคือมันขาดออกจากกันนั่นเองเดี๋ยวไม่มีการติดต่อกัน กี่ว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาติดต่อกันไม่ได้อาตมาเคยทําให้ดูแต่เคยพูดให้ฟังหลายครั้งหลายหนใครมาก็พูดเรื่องนี้เพราะทุกคนต้องประสบเรื่องนี้เอาเสื้อมาคู่ไว้สองซ้นหรือสองเสาหรือสองหลักดึงให้มันตึงตึงให้มันแข้งหน่ออย่างในภาษาบ้านหลวงเขาเรียกว่าให้มันแข้งให้มันตึงดึงอย่างแร ง, แ, รงแล้วก็คู่ไว้ แล้วเอามีตัดตรงกลางพอดีตรงกลางมันขาดมันก็สเสด็จหรือมันคลอนตัวเข้าไปถึงเสาหลักนั้นโซนอก็ถึงเสาหลักนี้มันจึงติดต่อกันไม่ได้จึงไม่ต้องไปและไม่ต้องมาและต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนยกเว้นไม่ได้แต่ยังไม่เป็นเดียวนี้จวนจะหมดลมหายใจพอจบเรื่องนี้จริงๆมันจึงจะเข้าสู่สภาพเดิมของมันได้ อันนี้แหละเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องหมายแต่มองไม่เห็นด้วยตาจับไม่ถูกด้วยมือเรียกว่าหมดเสื่อนั่นเองเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวผมพระองค์ไม่ยาวอีกต่อไปพาสองข้อมือตามเดิมเพราะเรื่องเดียวเท่านี้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญทุกคนต้องประสบเพราะทุกคนต้องตาย แน่นอนที่สุดธรรมะแท้จึงมีสิ่งเดียวกันจะถือศาสนาไหนก็ต้องไปที่ตรงนี้แล้วแต่ใครจะทำแล้วแต่ใครจะไม่ทำนี่แหละการดูจิตดูใจนี่จึงเป็นสิ่งที่อาัศาจรรย์ที่สุดคาว่าอาัศาจรรย์นี่ก็สิ่งที่ไม่เคยเป็นก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีก็มีการเป็นการมีอย่างนี้ เป็นของที่อัศจรรย์มากเพียงดูจิตดูใจเท่านั้นเองดังนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นจะถือศาสนาไหนลทัทธิใดก็มีเพราะมันมีจิตมีใจไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆนี่แหละเป็นเครื่องวัดของนิพพานการปฏิบัตินั้นให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยบททั้งสี่ ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้สี่อย่างนี้ก็ยังไม่พอท่านยังย้ำเข้าให้มีสติเข้ามารู้ในอริยบทย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามให้มีสติรู้การมีความรู้สึกตัวนั่นแหละเดี๋ยวมีสติรู้ เมื่อมีสติรูปเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาความหมายรู้จําได้เนี่ยอันสัญญานั่นแหละทําให้ญาณของวิปัสสนาเกิดขึ้นเมื่อสัญญามีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันเคลื่อนไหวโดยวิเทกรู้มากขึ้นมากขึ้นญาณของวิปัสสนาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปสัมผัสแนบแน่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าสัญญา ความหมายรู้จำได้ไม่หลงไม่ลืมไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับตำรักตำลาเพราะมันมีอยู่ในเราเป็นอย่างนั้นเรียกว่าสัญญาความหมายรู้จำได้เพราะงานเข้าไปรู้เมื่องานสมบูรณ์แล้วปัญญาก็ต้องหลบรู้อันนี้เป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้พ่องแผ้วว่องไวเมื่อ จิตใจห่องแพ้วว่องไวสะอาดดีแล้วตัดสินใจลงไปตัดสินลงไปการทำพูดคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่พลาดผิดเพราะปัญญารอบรู้ดีแล้วคำเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่ควรศึกษาไม่ควรปฏิบัติตามเนี่ย พระองค์สอนไว้อย่างนั้นแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องคนอื่นหรอกมีพูดถึงเรื่องตัวเองตัวเองไปนั่งภาวนาหลับตาขัดธรรมะเพชรแล้วก็มือหัวเต็งมือซ้ายเจ็บเอวนี่เจ็บเอวบ้านหลวงพ่อเรียกว่าเจ็บเอวปวดมหมึนหมึดไม่ยอมพิษยอมปิ้นนั่งทรมานอยู่นั่นแหละดูว่ามันเจ็บมันปวดที่ตรงไหนดูอยู่ตรงนั้นเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละมันไม่เข้าใจ มันทรมานตัวเองมันเบียดเบียนตนเองแต่เราก็ยังทําเราไม่เข้าใจจริงจะได้ทําดังนั้นพระองค์สอนไว้ทุกแง่ทุกมุมทำเราใดเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นคําสอนของพระพรุทธเจ้าควรศึกษาและควรปฏิบัติท่านสอนอย่างนั้น แต่เราไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็ทำไปตามครูบาอาจารย์สอนการ น, นึกการคิดคิดอิสาพยาบาทมีความพยศถือเนื้อถือตัวนั่นแหละเป็นการเบียดเบียนตนเองนั่นแหละเป็นการเบียดเบียนคนอื่นคิดอยู่ไม่หยุดเส่เตาแม้จะทำบุญก็ตามคิดอยากทำบุญไปทอดกระเทนบ้านนั้นไปบังสกุลบ้านนี้ อันนั้นแหละเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นเมื่อไม่ได้สมหวังไม่ได้สมใจแล้วก็คิดพอใจไม่พอใจโกรกเกียดสังขึ้นภายในจิตใจนั่นแหละเบียดเบียดตนเองเบียดเบียนคนอื่นแม้คิดจะทําบุญก็าตามเพราะว่าจิตใจนั้นยังไม่เป็นปกตินี่ไม่เป็นอย่างนั้นเราเคยได้ยินอย่างที่พระพุทธเจ้ากับพระวักกะล็ก ทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้พระวักกะลิศไปชอบกับพระพุทธเจ้าดูรูปดูสมรูปสวยลูกงามชอบพอใจดูมาอย่างนั้นพระวักกะลิศไม่เคยดูจิตดูใจตัวเองพระองค์ก็เลยด่าว่าอย่างนั้นกันเลยไล่พระวักกะลิศหนีหนีอย่ามาอยู่ที่นี่พระวักกะลิศก็เลย เครียดหรือว่าเสียอกเสียใจก็เดินไปจะไปโดนเหวตายว่าอย่างนั้นครูบาอาจารย์เราให้ฟังพระองค์ก็ไปต้อนไว้หรือไปรักเอาไว้กว่าอย่างนั้นถามพระวรกลิศพระวรกลิศเข้าใจว่าอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าสิพระวรกลิศก็เลยตอบว่าก็เข้าใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอันนี้ลูกอันนี้ตายเป็นไหมตายเป็น ตายแล้วก็เ น, น่าเหม็นเป็นไหมเน่าเหม็นเป็นพระวักกะลิก็ตายเป็นไหมตายเป็นเน่าเหม็นเป็นไหมเน่าเหม็นเป็นถ้าตายเป็นเน่าเหม็นเป็นแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ทําไมเอาอย่างนี้พระวักกะลิกก็เลยเกิดมีหัวมสนใจอยากเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าซีเข้าไปในตัวโคมคิดเพราะพระวกลิกกม็มีจิตใจที่มันเป็นปกติหรือสะอาดสว่างสงบหรืออุเตขาเหล่านั้น เพาว่ากระเล็กก็เลยเกิดรวมเข้าใจขึ้นมาอันนี้แสดงว่าเราไปจับเป็นปุกราทิฐานเราไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจารณาโดยเหตุผลดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าญาติเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมาญาติเสื้อถือโดยเขาเล่าเลยกันมาญาติเสื้อถือเห็นว่าเขาทําตามกันมาญาติเสื้อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตาราคำพี ย่าเสื่อถือเป็นการดนดาวนะึกคิดเอาเองสิบข้อถ้าอยากรู้ดีไปดูเอาห น, นังสือกลามสูตรมีเขียนเอาไว้หลายที่หลายทางคําว่าพระองค์ไล่พระวรัคคะลิขหนีหมายถึงหรือผมคิดเอาเองนะั้นนี้พระวัคคะลิกไปให้พ้นหนีไปให้พ้นอย่าให้รู้ได้เห็นหมายถึงหนีจากผมคิดปรุงแต่งนั่นเอง ไปให้ถึงไปให้พ้นอย่าให้ความคิดปุ่งแต่งอย่างสังขารปุ่งแต่งจิตใจมันนึกมันคิดมันปุงมันแตะเพราะไม่มีสัญญาเพราะไม่มีสัญญางานจึงเกิด ข, ขึ้นไม่ได้เมื่องานเกิดขึ้นไม่ได้ปัญญาจึงไม่หลอกลุ้ไม่ใช่สัญญาว่เอาของไว้ที่ตรงนั้นเอาเสื้อไว้ที่ตรงนั้นเอากางเกงไว้ที่ตรงนี้มีเงินเท่าด้นบาท มีทองคำเท่านั้นสลึงมีรถยนต์เป็นอย่างนั้นมีนามีสวนเป็นอย่างอันนั้นมันเป็นสัญญาของคนธรรมดาหรือของสัตว์ดังนั้นสัญญาอันนี้จึงไม่จัดเข้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตัวนี้คาว่าเวทนาก็เสวยอารมณ์ไม่ทุกข์สัญญาก็เพราะเห็นรู้ไม่หลงไม่ลืมสังขาร ไม่ถูกปงหยุดได้วิญญาณรู้เนี่อันนี้แหละเป็นเครื่องมัดอันนี้แหละเป็นเครื่องหมายอันนี้แหละเป็นเครื่องสตือนจิตสกติตใจเป็นทางเดินเข้าไปสู่นิพพานนิพพานนั่นจึงไม่เป็นบ้านไม่เป็นเมืองมันอยู่ในคนนี่เองถ้าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนรู้นิพพานเอานิพพานไปใช้กับการกับงานทุกวิธี แ่ยจะทําการทางานโดยวิธีใดก็ตามนิพพานนี่หนละเป็นลูกตุ้มหรือเป็นเบรกรถหรือเป็นตะเหมอะเรือไม่ให้เรือวิ่งไปเร็วไม่ให้รถวิ่งไปเร็วและตาซังเมื่อมันหนักก็เอาลูกตุ้มท่วงไว้คนจึงว่าอยู่กับนิพพานแต่ไม่รู้นิพพานเปลปารนาอ้อนวอนขอร้องเอานิพพานที่นอกตัวเราไป ไม่เคยรู้ว่านิพพานคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่เคยรู้เลยนี่แหละเป็นเครื่องวัดของนิพพานถ้าหากว่าเราไม่มีนิพพานอยู่แล้วคนก็ตายเร็วโอดขึ้นมาก็ซกตายเร็วนี่ดังนั้นนิพพานจึงเป็นลูกตุ้มเราลองดูลงไปสิในขณะเราฟังเทศก็ตามหรือทําอะไรก็ตามจิตใจมันว่าง อยู่สบายสบายไม่ได้นึกได้คิดอะไรนั่นแหละท่านว่าอุเบกขาจิตว่างว่างนั่นแหละท่านว่าวางเสยคือจิตใจของคนหรือชีวิตของคนมันว่างว่างมันเฉยเฉยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจจึงไม่รู้รสชาติของนิพพานไม่เฉพาะเฉพาะมีแต่คนนะสัตว์เวลสารก็มีเช่นเดียวกันเราจะมองเห็นได้ด้วยตาของเรา สัตว์ดเลีสาตอย่างสุนัขหรือหมาแมวเหล่านี้เวลามันนอนสบายว่างๆก็มีแม่หัวควายก็เหมือนกันบ้านเราเขาเรียกว่าหัวควายทางนี้อาจจะว่าวัวควายก็ยังก็ได้มันก็มีว่างๆแต่สัญญามันก็มีทำไมที่มันมีอย่างสุนัขหรือหมานี่พอดีพักพวกมันลองลุกเพิกลุกขึ้นไปเลยเนี่ย เพราะมันไม่มีสัญญามันวมว้างอันนั้นก็เลยไม่มีกไปกลับสัญญาเสียงนั่นเองอันนั้นมันเป็นสัญญาของคนและสัตว์มีเหมือนกันแต่สัตว์นั้นไม่สามารถที่จะเอาสัญญาตัวนี้ออกมาใส่ได้และไม่เจริญสติได้สัญญาตัวนั้นจึงจเจริญขึ้นไม่ได้คนเรามันทำได้ทุกคนไปแต่เมื่อเข้าใจแล้ว